ท่านอาจารย์ประโมทสร้างสาราเล็กไว้หน่อยนะขอโอกาสเพื่อนสาธิกทุกท่านและเจริญพรเจ้าโยมทุกคนซึ่งมาประชุมกันในวันนี้ซึ่งอาตมาก็มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่สวนสันติธรรมแห่งนี้เป็นครั้งแรก ความจริงนั้นเมื่อสักหกเจ็ดปีที่แล้วได้พบท่านอาจารย์ประโม a o ครั้งแรกที่ท่านได้เดินทางไปทิ่พัดกับโยมผู้หญิงสมัยเป็นคราวาสแลหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวว่าท่านได้ออกบวชออกประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ท่านก็ได้แนะนำลูกศิษย์ของท่านให้มาประพฤฏิบัติภาวนาที่วัดบุญยาวาา จ, จะเห็นว่าสถานที่วัดปุญยวาฒนเป็นสถานที่เหมาะสมในการภาวนาพอสมควรส่วนใหญ่แล้วลูกศิษย์ท่านก็ได้ไปภาวนากันมากพอสมควรตั้งแต่โยม้าซึ่งตอนนี้ก็เป็นพระอาแล้วพระบอยก็เคยไปภาวนาที่นั่นส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อยู่ในวัยทำงาน เป็นวัยหนุม่มวัยสาวซึ่งเราก็มีความยินดีที่เห็นญาติโยมทั้งหลายมีความสนใจในการประพฤติบัติธรรมเพราะคิดว่าคนเราซึ่งมีสติมีปรรัญญามีความเห็นชอบเห็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนามารักษาศีลมาเป็นพอนานั้นเป็นห น, า น, น, น, นทางที่เลิมที่ประเสริฐที่สุดจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ โดยส่วนหนึ่งก็เป็นลูกติ์ของท่านอาจารย์ประโม้นี่แหละได้มาพักไปบัตรภาวนาที่วัดก็มีความตั้งใจดีวันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมที่ส่วนสันติธรรมซึ่งแต่ก่อนท่านบวชแล้วไปอยู่ที่กาญจนบุรีเมื่อท่านมีโอกาสมาทุรัที่ชนบุรีก็ได้มีโอกาสแวะมาที่วัดอยู่ทุกๆปีเราก็เคยคิดว่าถ้ามีโอกาสไปทางกาญจนบุรี ่็คงจะได้ไปเยี่ยมสำนักท่านบ้างแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปกาญ้าบรุรีจนมีครั้งหนึ่งเมื่อต้นปีมีโอกาสไปที่กำแพงแสนไปหล่อพระประธานที่ไปประเทศนิวซีแลนด์ก็คิดว่าจะไปเยี่ยมท่านที่สำนักบัดีช่วงนั้นท่านจะเดินทางไปกราบครูบาอาจารย์ในภาคอีสานก็เลยไม่มีโอกาสไปที่นั่นอีกจนบัด น, นี้ เมื่อเร็วนี้ท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่วัดก็เลยนิมนต์มาที่สวนสันติธรรมเราก็เลยยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะอยากจะมาเยี่ยมท่านอยู่ตั้งนานแล้วล่ะนี่เมื่อท่านมาปฏิบัติอยู่ที่สวนสันติธรรมเนี่ยเราก็ได้โอกาสที่จะมาเยี่ยมนี่ก็เห็นว่าญาติโยมทึ่มีศรัทธาในพราพุทธศาสนา ที่มาประชุมกันในวันนี้ก็เปรียบเสมือนญาติ ท, งทังธรรมเพราะพวกเราทุกคนนั้นเป็นพุทธบริษัทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพิสุหรือญาติโยมก็ดีมีความมุ่งหวังในหนทางอันเดียวกันคือหนทางกันดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อพัญนิพานเป็นที่สุดเพราะพระพุทโธนั้น ท่านได้ส่งแนะนําสั่งสอนเพื่อพอสิทธิ์ทั้งหลายได้รู้จักขนทางที่จะดาเนินไปเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อพระนิพพานท่านส่งสอนให้รู้จักการดําเนินในการที่จะกระทําคุณงามความดีรักษาศีลทําสมาธิจเจริญภาวนาสิง่งต่างๆเหล่านี้เป็นหนทางดําเนินไปเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อความสิ้นทุกข์เนี่ยและพวกเราทุกคน ผู้ซึ่งมีจิตใจใฝ่ในบุญใฝ่นในกุศลตั้งใจที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตั้งใจที่จะประกอบคุณงามความดีสร้างบารมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราก็ได้ข่าวว่าท่านเพิ่งมาอยู่เมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่คิดว่าญาติโยมจะมีจตธาทำสถานที่ไปบัตรทำให้ได้สะดวกหรือว่าจเจริญ รุ่งเรืองพอสมควรก็เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมที่ค่อนข้างสะดวกอันนี้ก็อาศัยมูลของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งความดีของพระพุทธองค์นั้นจึงทําให้พุทธบริษัต์ทั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในคํำสอนของพระพุทธองค์มีความศรัทธาในพระอัฏฐาภิษฐ์ทั้งหลายอาศัยคุณงามความดีของพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ย สืบต่อกันจนถึงทุกวันนี้พวกเราทุกคนก็มีศรัทธามีความมุ่งหวังในการประพฤติบัติตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงมาทํานุบารุงพระพุทธศาสนาแต่ความจริงนั้นพวกเราทุกคนนะอาตมาเชื่อว่าไม่ได้มาทําบุญหรือประพฤติบัติธรรมที่นี่แต่เพียงอย่างเดียวหลายๆคนก็ทําบุญหรือประพฤตบัติธรรมในสถานที่ทต่างๆ ตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยเพราะเราทุกคนนั้นมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องรู้จักว่าชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่าทั้งหลายนั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะร่วมพ้นความแก่ไปได้ไม่สามารถที่จะร่วมพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ไม่สามารถที่จะร่ ว, พว ม, ไไ ม, ามาวพ้นความตายไปได้ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เป็นอยู่ตลอดอนันตการไม่มีที่ทสุด ไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดขึ้นมาก็ตามสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเสื่อมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบคา ส, สอนของพระพุทธงแล้วเราทุกคนไม่ควรที่จะประบานในชีวิตควรที่จะรีบเร่งสั่งสมบารมีสั่งสมคุณงามความดีให้ถึงพร้อมไว้คำ ส, สอนของพระพุทโงนั้นซึ่งสอนให้พวกเราทุกคนพยายามที่จะ สั่งสมบารมีสั่งสมคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เราพึงจะกระทําได้ก็ขอให้พยายามที่จะทําแต่คุณงามความดีเล้าเว้นการกระทำปิดเสลธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าคุณงามความดีอันใดซึ่งเราพึงจะกระทําได้ในปัจจุบันอันเป็นเหตุก่อให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าก็พึงพยายามที่จะสั่งสมบุญสั่งสมกุศล งามความดีไว้และพัฒนาจิตใจเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นไปการที่เราเกิดขึ้นมาเป็นคนเราจะทําจิตใจงเรานั้นให้มีความสงบให้มีความสุขเกิดขึ้นเราก็ต้องรักษาสินห้าให้เป็นปกติจึงจะได้มนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์เพราะสินหน้านั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เมื่อเราพิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดเสียธรรมทั้งหลายทั้งปวง เราก็จะเห็นประโยชน์ของการรักษาศินสิ น, สนก็จะรักษากายเราให้สงบวาจางเราให้สงบไม่มีความเดือดร้อนใจในการที่จะกระทําในสิน่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราปัทนาความสงบซึ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็ฝึกหัดทําสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจงเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นใจเขายัางฝึกช้างให้เชื่องได้ฝึกไมห้หายประโยชน์ได้เราทำไมจะฝึกใจตนเองไม่ได้ ถ้าเราไม่มีสติที่จะกําหนดดูแลรักษาติดใจงเราไปแล้วเนี่ยใจเรานั้นก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นภายในจิตในจิตใจเรานี่แหละเราไม่สามารถที่จะแยกความทุกข์ออกจากใจเราได้เพราะจิตเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราการที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องมีสติ ที่ตั้งมั่นการที่จะมีสติที่ตั้งมั่นเราก็ต้องฝึกขัดทำสมาธิภาวนาเมื่อเราฝึกขาดกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาจิตใจของเรานั้นสงบเยือกเย็นมีความสงบเยือกเย็นมีความสุขเกิดขึ้นมีเวิกขาเกิดขึ้นจิตของเราเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตเราจึงจะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงทั้เกิดขึ้นไปในใจงเรา เมื่อมีสติเฝ้าดูจิตเราก็เห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเรากายเห็นรูปหูดยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจจิตใจเราก็รู้จักจะเห็นความทุกข์และหาสาเหตุของความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจงเราได้เพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นที่ต้นไม้หรือที่ศาลาหรือที่บ้านของเราเกิดขึ้นเพราะจิตใจเรานั้นมีความเห็นไม่ถูกต้องความทุกข์จึงเกิดขึ้นภายในจิตใจงเรานี้ เพราะฉะนั้นพระพุธองค์จึงให้มีสติมีปัญญาที่จะตามรักษาจิตของตนเมื่อเรามีสติที่จะเฝ้าดูจิตจแจงเราอยู่เสมอเราก็จะเห็นอาการจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถ้าอาการจิตนั้นเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับไปเราก็หาวใบาปัญญาพิจารณาละความคิดที่ไม่ดีไปจากจแจงเรารู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถติมั่นออกไปจากจิตแจงเราเพราะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ดี ซึ่งเป็นความทุกนั้นเราไม่ควรที่จะกักขังหรือเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีไว้เมื่อเกิดความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็หาบายปัญญาพิจารณาละความทุกข์ออกไปจากจิตแจงเราทุกๆขณะจิตถ้ากำลังสติปัญญาเราไม่เพียงพอเราก็กำหนดสติทำสมาธิภาวนาเพื่อให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิจุบันธรรมทำเช่นนี้ไปเสมอๆ เ, เนี่ยใจเราก็มีความสงบเยือกเย็นใจ เมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกา ย, ยาเราขึ้นมาพิ จ, จารณาจะพิ จ, จารณาการสามสองก็ ด, จกจกกดีจะพิจารณาสุภากรรมฐานก็ดีจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เชื่ตัวตนของร่างกายนี้ซึ่งจิตเรายึดมั่นถือมั่นในกายตมนมาเป็นตัวตนของเราความทุกข์จึงเกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นเพราะจิตใจเราหลงยลึดมั่นถือมั่นในกายตนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญา พิจารณาร่างกายนี้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตของเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนตีเล็กตีน้อยอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงก็ค่อยๆบรรเทาบางไปถ้าเราพิจารณาโดยละเอียดโดยแยกกายเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจริงร่างกายของเราหรือร่างกายของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยล้วนประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้น มีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่และมีความแตกกละจายไปในที่สุดถ้าสติปัญญาเราเห็นความจริงเช่นนั้นจิตเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ความโลภ ก, ก็จะดับลงไปความโกรธก็จะดับลงไปความหลงในกายนี้ก็จะดับลงไปวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็สักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเห็นก็สักจะว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจิตเดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็น พรอมายึดมั่นถือมั่นในกายตนเพราะจิตที่มายึดมั่นถือมั่นในกายตนก็หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นมีวัตถุสิ่งของของของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุธองค์จึงย้อนให้พิจณากายในกายตนว่าเห็นว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุ น, น้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายบุคคลอื่นก็เป็นสภาวะเช่นเดียวกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น เม่อสับสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ลุ่นมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแตกกระจายเป็นี้ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนี้นก็เป็นแต่เพียงของว่าเป็นแต่เพียงความว่าสมมุติเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาเป็นชัวเขาเท่านั้นเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปจิตก็ยังหลงยึดมั่นถือมั่นในส่วนละเอียดของจิตคือหลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาตัางคารวิญ ญ, ญาณของจิตว่าเป็นตัวจิต ความทุกข์ก็ยังมีอยู่ส่วนละเอียดเป็นความสุขส่วนละเอียดที่ยังเป็นความทุกข์นั้นสติปัญญาก็ต้องพิจารณาแยกจิตออกจากเวทนาสัญญาถังขานวิญญาณให้อิจฉามไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นซักฟอกจิตใจเรานั้นให้เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจจึงจะเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาได้หรือเกิดสภาวะของธรรมาธาตุขึ้นมาคือความบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นการประพฤติบัติธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำเนินจิตไปเพื่อความาพ้นทุกข์แต่เพียงอย่างเดียวซึ่งพวกเราทุกคนก็ได้พยายามที่จะบาเพ็ญบุญกุศลบาเพ็ญสมาธิหรือปัญญาให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเป็นการสร้างสมบารมีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจเรานั้นตามคำสอนของพระพุโทโธการที่พวกเราทุกคนพยายามที่จะ ก็ทําคุณธรรมความดีหรือสร้างบารมีนี้เป็นการที่จะดําเนินไปเพื่อความสิ้นพบสิ้นชาติหรือทําให้ถึงที่สุดแห่งวความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในทุกๆวันซึ่งเราใช้ชีวิตอยู่ในเพศกระวาดนั้นไม่ว่าเราจะทําหน้าที่อะไรมีกิจการอะไรมีธุระกิจอะไรก็พึงมีสติตามรักษาจิตของตนทํากิจการงานนั้นๆก็มีสติ อยู่กับกิจการงานนั้นๆเมื่อเวลาว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็พยายามที่จะเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเรานั้นให้ปัสแจากความทุกข์ปัสแจากกิเลสไปในใจของเราสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ให้พยายามละสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีก็ให้บําเพ็ญสิ่งนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนพุทธะเบสัตต์ทั้งหลายเนี่ย เพื่อที่จะให้พุทธทวิสัชน์บริษัททั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความสิ้นทุกข์ก็ให้พวกเราทุกคนไม่ประมาทในชีวิตขวนขวายในการที่จะพัฒนาจิตใจเงเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าเรายังไม่เคยรักษาศีลก็ให้รักษาศีลให้เป็นปกติถ้าเราไม่เคยฝึกขัดทําสมาธิภาวนาก็พยายามที่จะฝึกขัดทําสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจเงเรานั้นมีกําลังสติปัญญาเกิดขึ้นในการที่จะ เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้มีสติมีปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ภายในจิตใจของเราการที่พวกเราทุกคนมีศรัทธาในกรุพุทธศาสนาตั้งใจที่จะมาบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยมาร่วมกันมาถวายสาราากุฏิพิหารหรือทำรูปบารุงพระพุทธศาสนานี้อันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากในจิตใ จ, ใจคนเราทุกๆวันนี้ แต่พวกเราทุกคนก็มีนิสัยปัจจัยที่เคยบาเป็นมาตั้งแต่เด็ดชาติจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ระลึกถึงการกระทำคุณงามความดีการรักษาศีลการทำสมาธิจเจริญภาวนาอยู่เสมอเราจึงมีจิตใจไปในบุญไฝในกุศลเมื่อเราสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็ทำให้พบชาตินันสั้นเข้าสั้นเข้าจนกระทั่งทาจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นในการที่ท่านอาจารย์ประมุ a ได้มาทํามสำนักที่นี่ก็ได้อาศัย ญ, ญ, ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มาทํานุบารุงสร้างเสรีนรณะเพื่อสะดวกในการประพฤติปฏิธรรมของพระภิกษุสามเณรที่จะมาบําเพ็ญในการประพฤติปฏิธรรมในการต่อไปเนี่ยก็ น, นั้นได้ว่า เป็นบารมีที่พวกเราทุกคนได้สั่งสมหรือสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นน้ำใจซึ่งหาได้ยากเมื่อเราสร้างคุณงามความดีซึ่งเป็นเรียสัพภายในนี้เป็นสิ่งที่จะติดตามจิตใจเราไปได้เหมือนเราที่ติดตามตัวเราไปแต่วัตถุภายนอกหรือทรัพย์สมบัติภายนอกที่เราหามาได้นั้นเราก็ใช้เพื่อการดํารงชิพเพื่อความอยู่เป็นสุขในแต่ละภพแต่ละชาติตัวนั้น เมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วเนี่ยเราทุกคนไม่สามารถที่จเยาไราไปได้เลยแต่เมื่อเราเปลี่ยนจากวัตถุทั้งหลายเนี่ยมาเป็นวัตถุในทางพระพุทธศาสนาหรือเป็นวัตถุทานเปลี่ยนมาเป็นยัพย์ภายในซึ่งเปรียบเสมือนสเบียงที่ติดตามจิตใจเราไปหรือการรักษาศีลก็เปรียบเสมือนยางพะนะของจิตที่จะนําจิตไปสู่ความสุขทั้งในปีปัจจุบันและภายภาคหน้า เ, นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุโทโธ ที่มุ่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้บำเพญ็ญบา ร, รมีหรือสร้างคุณงามความดีนั้นท่านมุ่งสู่พระนิพพานเป็นที่สุดคือการดับความโลภความโกรธความหลงภายในดวงใจของเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนฝึกพยายามที่จะกระทําแต่คุณงามความดีละเว้นการกระทำผิดเสศีลทำทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์และกระทําแต่คุณงามความดีในการบำเพญ็ญศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสาดให้มีความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในการที่พวกเราทุกคนนั้นมาประชุมกันในวันนี้นั้นก็ตั้งใจที่จะม า, าถวายเซนาธนะหรือว่าเปิดสำนักปฏิบัติสวนันติธรรมนี้ก็ใส่คุณงามความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นประธานใสยคุณงามความดีของพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประธาน อาศัยคุณงามความดีของผ่านชาวกทั้งหลายเป็นประธานและคุณงามความดีของพวกเราทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาทําบุญทํากุศลในพรพุทธศาสนาเนี่ยขอคุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้บําเพ็ญมาตั้งแต่ดีตจนถึงปัจจุบันและจะได้บําเพ็ญสร้างคุณงามความดีต่อไปจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในการประพฤติบัติธรรมนั้น ก็ขอให้มีดวงดวงตาแจ่มใสดวงใจสงบนิ่งเพื่อที่จะให้มีจิตใจของเรานั้นปราศจากความโลภความโกรธความหลงหรือทําให้แจ้งถึงพระนิพพานโดยฉับพลันไม่ว่าจะมีภพกิรชาติอีกกี่พบกี่ชาติก็แล้วแต่ขอให้มีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องอันจะเป็นหนทางดําเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือพระนิพพานโดยฉับพลันด้วยเทิด